การบำเรอไฟพระพุทธภาษิตโยจะวัสสะสตังชันตุอคิงปริจเรวะเนเอกันจะพาวิตัตานังมุหุตตมะปิปูชเยซาเยวะปูชนาเซโยยันจะวัสสะสตังหุตังแปลความว่าผู้ใดพึงบูชาไฟในป่าสิ้นร้อยปีการบูชานั้นไม่ประเสริฐ ส่วนการบูชาท่านผู้อบรมตนดีแล้วผู้เดียวแม้เพียงครู่หนึ่งยังประเสริฐกว่าการบูชาสิ้นร้อยปีนั้นอธิบายความลทัทธิพราหมณ์นิยมการบูชาไฟถือว่าไฟเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทำให้แปดเปื้อนได้คงความเป็นตัวของตัวเองแม้เผ่าไหม้สิ่งโสโครกอยู่เมื่อสิ่งนั้นหมดไปแล้วไฟก็คงสะอาดอยู่อย่างเดิม ไฟจึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาเทวดาหรือพรหมการใช้ไฟเป็นเครื่องบูชาสิ่งเคารพนี้ติดมาแม้ในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือการใช้ทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปและสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตลอดจนถึงจุดบูชาเคารพศพตำราทางพระพุทธศาสนาชั้นพระไตรปิฎกยังไม่เคยพบว่าใครนำดอกไม้ทูบเทียนไปเฝ้าหรือบูชาพระพุทธเจ้า แต่พอมาถึงชั้นอัตถกถาเช่นอัตถกถาธรมบทเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงอริยสาวกหรือใครก็ตามที่เอื้อมสพระพาาุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มักกล่าวว่ามีของหอมและดอกไม้ติดมือไปด้วยเสมอของหอมที่ว่านั้นจะหมายถึงทูปหรือไม่สนิฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในเมืองไทยเราเวลานี้การบูชาพระรัตนตรัใช้ดอกไม้ทูบและเทียนเป็นประจำ เทียนเป็นคู่คู่ทูบสามดอกดอกไม้ไม่จำกัดบางท่านอธิบายว่าทูบสามดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณโดยย่อสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณเทียนสองเล่มบูชาพระธรรมเพราะพระธรรมแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่คือธรรมและวินัยดอกไม้บูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่าน เรียงเหมือนดอกไม้ที่ต่างสีต่างสันธานนํามาจากที่ต่างๆแล้วจัดร้อยเป็นพวงมาลัยหรือจัดเข้าระเบียบดูสวยงามเหมือนพระสงฆ์มาจากที่ต่างๆตระกูลและวรรณะต่างๆมาร้อยด้วยเชือกคือวินัยเขาเป็นพวงเดียวกันเป็นพระศักยบุตรเสมอกันหมดดูสวยงามด้วยระเบียบวินัยนั้นมติของข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะต้องแยกว่าสิ่งนั้นบูชาพระพุทธสิ่งนี้บูชาพระธรรม น่าจะบูชารวมๆกันไปคือดอกไม้ก็ใช้บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทูบเทียนก็เหมือนกันหากแยกบูชาเมื่อขาดัตถทอย่างในอย่างหนึ่งเช่นขาดเทียนไปก็มาด้บูชาพระธรรมขาดทูปไปก็มาด้บูชาพระพุทธขาดดอกไม้ไปก็มาในบูชาพระสงฆ์อันหนึ่งกล่าวในทางธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแม้จะมีชื่อต่างกันแต่ก็เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจกวาม แยกจากันไม่ได้เหมือนเพชรเม็ดเดียวมีสามเรียมลองเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์มาพิจารณาดูก็เห็นจริงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระาศาสดา จ, จึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเป็นตน้นหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยธรรมกายในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเห็นคนบูชาไฟกันมาก ไม่ทรงห้ามทีเดียวแต่เมื่อทรงพบข้าวก็ทรงสอนหมายว่าให้บูชาไฟที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านี้มีผลที่เห็นได้และให้ละไฟบางอย่างไฟที่ทรงสอนให้บูชานั้นคือการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาครูอาจารย์สมณพราหมูปฏิบัติชอบทรงเรียกว่าอาหุเนยยักษิปุตตะการบูชาไฟคือคนที่คนบูชาการสงเคราะห์สามีพัญญา บุตรธิดาบริวารชนตามควรแก่ฐานะรวมถึงการสงเคราะห์มิตรและญาติทรงเรียกว่าขหปะตักขิภูตะการบูชาไฟคือขหบรีเป็นต้นส่วนไฟที่ส่งสอนให้ละนั้นคือกิเลสเช่นรา ค, าคัคคีไฟคือราคะโทสักขิไฟคือโทสะและโมหคิไฟคือโมหะเป็นต้นข้อความอื่นๆเกี่ยวกับพระพุทธพาสิทธินี้ ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่ห้าแห่งหวรกนี้พระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เวรุวันเมืองราชเจริทรงปรารบพราหม์หลานพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรไปหาหลานถามว่าได้ทำกุศลอะไรประจําวันบ้างเขอตอบว่าฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งบำเรอไฟทุกเดือนเพื่ออะไรพระเถระถาม เพื่อไปทําทางพรหมโลกเขาตอบใครบอกพวกอาจารย์ของกระผมบอกเธอไม่รู้ทางไปพรหมโลกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้มาเถิดเราไปเฝ้าพระาศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางไปพรหมโลกพระสารีบุตรพาหลานไปเฝ้าพระาศาสดาพระเจ้องค์ตรัสว่าการบูมเลอรไฟอย่างนั้นทําอยู่สักร้อยปีก็สู่การบูชาสาวของเราเพียงคู่เดียวไม่ได้ ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจักวัสสะสตังชันตุเป็นอาธิมีนัยยะดังพน า, นามาแล้วแต่ต้น